ขอความสุขความเจริญจงมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายเสียงธรรมจากมาวิิยไลศีปทุมกำลังนำเสนอพระสูตรในสังยุตตนิกายสกาทวักคือเป็นวักที่ว่าด้วยคำถามของเทวดาวันนี้จะพูดในเชตวันท ส, สูตร คือพระสูตรที่ว่าด้วยพระเชดต ว, วันหรือบางแห่งเรียกว่าอนาตบินทิกะสูตรคือสูตรที่ว่าด้วยเทวบุตรเทพบุตรที่ชื่อว่าอนาณบินทิกะคือเป็นเหตุการณ์ที่อนาตบินทิกะเศรษฐีท่านอนาภาพไปท่านตายไปคือก่อนที่จะตายเนี่ย พระจารับสั่งให้ประสานิบุตรไปเยี่ยมก็แสดงว่าตอนนั้นก็เป็นเหตุการณ์ปลายพุทธสมัยแล้วพระสาริบุตรนั้นท่านเทศธรรมะส่วนใหญ่จะเทศ ร, ระดับสูงสูงคือจะหนักไปในด้านวิปัสนาปรารมัตธรรมเป็นหลักเพราะเมื่อไปประรบทุกทุกเวทนาจะเกิดขึ้นแก่ท่านอนาธบินติกะ ก็ปรากฏว่ามีอาการเสียดแทงของโรครุนแรงมากพระเทราก็สอบถามตนก็บอกว่าทุกขเวทนาเสียดแทงมากเหลือเกินพระประสาริบุตรก็แสดงธรรมะในแนวของเวทนานุปัสนาสติปัฏฐานแล้วก็เน้นไปที่ตัวทุกขเวทนาซึ่งบุคคลที่ ทุกคนจะต้องเสวออยู่แล้วก็ในส่วนของไอ้ทุกขเวทนานั้ยมันก็ปรากฏอยู่ในขณนะนั้นนะแหละแล้วท่านก็อธิบายขยายความเข้าไปสู่ตรายักคือเข้าไปสู่นิจังทุกขังนัตตาแล้วก็มองเห็นว่า แต่ก็จริงแล้วเวทนามันก็สักแตว่วเวทนาไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาอะไรเกิดใจเราไม่เอาไปแบกว่าเรามีเราเป็นเวทนาหรือเวทนาเป็นเราหรือเรามีอยู่ในเวทนาหรือเวทนามีอยู่ในเราเนี่ยหรือถ้าไม่คิดอย่างใดอย่างหนึ่งเราก็แยกใจออกว่าเวทนามันก็คือเวทนาเราก็คือเราจิตก็คือจิต และเวทนามันก็ไม่มีอิทธิพลอะไรที่จะเสียดแทงใจข้อ น, นี้ดูแล้วก็ทำยากหน่อยก็แ น, น่นอนมันก็ธรรมดาคือมนุษย์เราด้านประกอบด้วยตัณหามานะทิฏฐิเป็นหลักแล้วทิฏฐิที่รู้สึกว่าเป็นรูเป็นตนเนี่ยมันไปพันหนวกกับรู้ว่าเวทนาเนี่ยมนันเป็นของเรา แล้วเวทนานั้นก็เกิดขึ้นแก่เราแต่ทีนี้ถ้าเวทนาเป็นเหตุให้เป็นทุกข์จริงๆอถ้าเราไม่ยึดมั่นหรือมั่นมันแล้วก็หมายความว่าเวทนาเกิดที่ไหนเราต้องทุกข์ด้วยแต่ก็เปล่ามันไม่ได้ทุกข์ซึ่งถ้าเราเทียบแล้วบนกับอากาศนะอากาศหนาวเช่นสมมุติว่าอากาศหนาวในกรุงเทพหรืออากาศหนาวในภาคกลางหรือหนาวในภาคเหนือมันก็หนาวกันทั้งภาคกันแหละ มันเป็นเป็นธรรมชาติคือเป็นกฎของธรรมชาติแต่ละคนก็จะสัมผัสเหมือนกันแต่จะมีความรู้สึกต่อความหนาวไม่เหมือนกันหรอกเเพราะว่าภูมิท่าฐานภายในใจเราไม่เหมือนกันแต่เวทนานั้นชัดเจนคือเวทนาเกิดที่ที่นายกนายกก็สวยคนเดียวเกิดที่นายขอนายขอก็สวยคนเดียวเกิดที่นายขอนายขอก็สวยคนเดียวถ้านายขอเป็นญาติเรา เช่นว่านายขวเป็นพ่อเราเนี่ยเราจะเกิดทุกข์ทุกข์เพราะเราไปยึดถือว่าเวทนาเกิดขึ้นแก่พ่อเราแต่ถามว่าเราไปยึดแล้วมันจะหายหรือเปล่าห่ะมันก็ไม่หายเวทนานั้นมันก็เป็นเป็นเหตุปจัจจัยเของมานอ่ะมันถึงหายมันก็หายท้นของเราที่จริงมันเกิดจากยึดทีนี้ตีต่างว่าพ่อเนี่ยท่านเข้าถึงธรรมะท่านไม่ ย, ยึด ตองลงว่าเราทุกคนเดี่ยวท่านไม่ทุกอย่าเติรยกตัวอย่างว่าพระบาทสมเด็จพระจองกล้าวจะอยู่วก่อนจะเสด็จสวรรคตได้รับสั่งอะไรลึกซึ้งมากแล้วแสดงถึงอารมณ์ของวิปัสสนาที่ชัดเจนเห็นความเกิดดับชัดเจนแยกจิตออกจากขันได้อย่างชัดเจนโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือเวทนากัน ที่ท่านกำลังประสบอยู่ด้วยโรคของมา เ, เรียที่แรงมากสมัตสมัยนั้นท่านบอกว่าแม้กายเราจะกระสับกระส่ายแต่จิตเราจะไม่กระสับกระส่ายคำสอนของพระพุทธเจ้าเราได้ปฏิบัติตามแล้วท่านก็ภาวนาพุทโธพุทโธพุทโธไปใจท่านก็อยู่กับพุทโธเวทนาเมันก็อยู่ส่วนมั น, นแยกออกจากกัน แล้วท่านก็บอกว่าสิ่งใดที่บุคคลไปยึดมั่นหรือมั่นเอาไว้เนี่ยสิ่งนั้นจะไม่มีโทษไม่มีหอกท่านก็ต้องปล่อยวางความยึดมั่นหรือมั่นว่าเวทนาเป็นเราเราเป็นเวทนาเวทนามีอยู่ในเราเราเป็นเวทนาเราไม่อยู่ในเวทนาแต่เวทนาก็สักแต่ว่าเวทนาจิตก็สักแต่ว่าจิ ต, ตจิตมันก็แยกออกมาจากเวทนา แต่ที่จริงแล้วจิตกับเวทนาเนี่ยเขาใกล้ชิดกันมากนะฮะเพราะว่าเขาเวทนานั้นมันเป็นสังขารขันที่เป็นจิตสังขารคือสิ่งที่ปลนปลือหล่อเลี้ยงจิตอยู่ทั้งเวทนาทั้งสัญญาเนี่ยแต่เราเห็นว่าความจริงมันก็ไม่ใช่จิตมันเป็นสังขารที่กลางๆงก็แล้วแต่เราจะคิดเอาเราคิดว่าดีก็ได้ไม่ดีก็ได้คิดกลางๆ ก, ก็ได้ ท่า น, านาธาบินติกาเศรษฐีพอได้ฟังประสาริบุตรท่านแสดงวิจิตพิสดารอย่างนั้นท่านก็ตื่นเนอ่ะคือท่านมีความรู้สึกว่าคือเป็นอย่างนี้พระพุทธเจ้ากับธ่านานาธาบินติกาเศรษฐีเนี่ยอนาตบินติกาเศรษฐีเคารพเพื่ อ, อทูลพระพุทธเจ้าเป็นพิเศษมากๆมา ก, มากจนไม่กล้ากราบทูลถามปัญหา โดยมีความรู้สึกว่าพระพุทธเจ้านั้นเป็นกษัตริย์ที่ละเอียดอ่อนเป็นพระพุทธเจ้าที่ละเอียดอ่อนออถ้าต้องตอบคำถามของเราเนี่ยเราจะเดือดร้อนออพระองค์จะประสบความเดือดร้อนเพราะงั้นเลยไม่กล้าถามพระเจ้าทรงรทราบอัยารัยะใสทรงตำหนีว่าอนาตบินธิกะเศรษฐีนั้นไปรักษาเราในเรื่องที่ไม่ควรรักษา พระททองค์สร้างบารมีมาเพื่ออนุเคราะห์ต่อชาวโลกภารกิจในการชี้นาเหตุผลในแก่ชาวโลกนั้นเป็นภารกิจของศาสดาผู้เอนดูโดยธรรมชาติพเพฟิะพงค์ไม่มีคำว่าเหน็ดเหนื่อยเพราะไม่มีอัตราตัวตนให้เหนดเนื่อยไม่ได้ไปยึมดยมั่นหรือมั่นในเรื่องของอัตราตัว ต, วตวนอะไ ร, ระเ ท, ทุกครั้งนี่พระเจ้าจะเทศให้ท่านอนาตบินติกะเศรษฐีฟังทุกครั้งที่เจอกัน ยาวบ้างสั้นบ้างแต่จากการสังเกตว่าธรรมเทศนาที่ทรงแสดงแก่ท่านนาถบินเกเศรฐีจะเป็นธรรมธรรมเทศนาระดับโลกกิยธรรมแล้วก็จะอยู่ในแวดวงของกุศลกบฏคือคกุศลกบฏเดเ ร, ราจะแสดงให้ลึกซึ้งโอ้ท่าลึกซึ้งก็ลึกซึ้งเยอะนะฮะ เพราะทานฟังบทสังเกตนะว่าในกุศลกับบทในแง่ของความจริงเนี่ยมันหมดแล้วในส่วนของมรรคสัตย์มันก็อยู่ส่วนนั้นแหละเออที่ทรงแสดงเน้นเนีน่ยเน้นในส่วนของจิตศีลศีข า, าว่ากระดังกลับจริงในความเป็นศีนเนี่ยมันก็คุมกายกวาจาอาการที่ปรากฏอาการของศีลปรากฏที่กายกวาจาผลกายกวาจาที่บรรทุจริฤ มันคือประทุสร้ายต่อชีวิตประทุสร้ายต่อทราบร่วงละเมิดในทางเพศหรือทุจริตเราก็อยู่ท่า น, นั้นแหละทําอะไรก็ทําไปเถอะแต่มันจะอยู่ในเวทบงของชีวิตทรย์หรือว่าคู่ครองในขณะเดียวกันการสื่อสารถ้ามันทุจริตเรื่องนั้นจะต้องเท็จหรือยุยงให้เกิดความแตกแยกหรือว่ า, า, ากล่าวคำหยาบคายหรือว่าร้ายสาระไม่อย่างใดอย่างหนึ่งหรือบางทีนี่หมดทั้งชุดเลย คนก่อนมีคนเอาอะไรเขาเรียกว่าซีดีนะฮะไปให้ฟังก็ฟังได้น่อยหนึ่งก็นึว้วก็โอโหชาวบ้านเนี่ยดุเดือดจังไลคือทำตัวคล้ายๆกับโอโหบริสุทธิ์หมดจดมากแต่วาจาในทุจจยิตครบทั้งสี่เลย คือทั้งเทศทั้งยุโยงในเกิดความแตกแยกทั้งคำหยาบคายทั้งร้ายสาระจิตมันเป็นยังไงคือแสดงว่าจิตจะไม่นิ่งเลยไม่สงบเลยทีนี้เราจะเห็นว่าในส่วนของมโนโสุจริตที่ทรงทรงสอนระดับสินธรรมจัญญา คือไม่โลภอยากได้ของของคนอื่นไม่พยาบาทป้องร้ายบุคคลอื่นแล้วก็เห็นชอบตามทํานองครองธรรมมันเป็นระดับศีลธรรมกัญญาพวกเนี้ยส่วนหนึ่งก็จะเรียกว่าธรรมมัจริยาบ้างอริยธรรมบ้างสมะจริยาบ้างโสเจยะบ้างอะไรจะเรียกเยอะแต่ในขณะเดียวกันถ้าเราปฏิบัติให้สมบูรณ์ในสามข้อหลังเนี่ยตอนมโนมโนสุจริตเนี่ยถ้าเขาสมบูรณ์จริงๆเนี่ยตัวสัมมาทิฏฐิ เราจะเห็นว่ามันมันมั น, มนที่จริงมันเป็นจิตสิกขากับปัญญาสิกขาอยู่ตรงนั้นแหละพอจนถึงกิเลสพวกนี้สงบมันก็กลายเป็นจิตสิกขาพอถูกขจัดออกหมดมันก็กลายเป็นปัญญาสิกขาก็กลายเป็นศีลสมาธิปัญญาสมบูรณ์ก็สัมมาญาตก็เกิดผุดขึ้นราะในมัธตมานิกายสังคารูปวัตติสูตร พรเจ้าจทรงแสดงว่ามันเป็นมักเป็นทางดำเนินไปสู่ความมนุษย์เป็นสู่ความเป็นเทพในสวรรค์ทั้งหกชั้นไปสู่ความเป็นพรหมทั้งสี่หกชั้นไปสู่ความเป็นในรูปพรหมทั้งสี่แล้วไปสู่ความเป็นภระยะโดยชาติประสูตเดียวแต่มีความเข้มข้นที่สูงมากยิ่งขึ้นเพราะในหนังสือที่มาเล่าว่าเรียบเรียงนะฮะตอนนี้ก็เสร็จแล้ว ก็จะให้อีกชื่อว่าเสริมสร้างสู่สุขสรรถึงการกล่าวถึงเนื้อหาสาระของการบริหารตนบริหารคนบริหารงานและการบริหารในมิติต่างๆโดยยกองค์ธรรมทุกชุดขึ้นมาเนี่ยจะเห็นว่าทุกชุดเนี่ยมันเป็นเครื่องมือในการบริหารได้ทั้งหมด แต่ก็พอสังเกตความคิดความอ่านของคนในสังคมคือทําให้นึกถึงจั ก, กรวริวัฒน์นะถ้าท่านฟังไปอ่านจั ก, กรวรริวัฒน์12ข้อทั้งหมดนะฮะมันมีการแจกจ่ายเชตั้ง9ข้อมี3ข้อต น, นเองเป็นที่เป็นธรรมปฏิบัติแล้วในราชสังฆาห์5ข้อ เป็นการแจกสตางค์เป็นการแจกสตางค์ให้ลงทุนก่อนในข้อสมมาปาสสะแล้วก็ในข้อของปุริสามธทาคือถ้าให้เรามองอย่างหนึ่งว่ า, าสแสดงว่าประมากษัตร์สมัยโบราณต้องรวยมากเลยเงินต้องเยอะมาก แต่ไม่งันเดี๋ยวมาแจากจ่ายแก่คนทุกกลุ่มเป้าหมายทั้งหมดแหละ ค, คือในจั ก, กรวรรดิเราเอามาอ่านแล้วเระเบิดว่าทุกกลุ่มเป้าหมายเงินของแผ่นดินแน่นอนเป็นเงินของแผ่นดินแต่ถามว่าเอามาจากไหนละ่ะเมื่ต้องเอามาจากประชาชนา่ะเพราะคนที่อยู่ในตําแหน่งที่จะต้องบริหารเนี่ย คือถ้ามีสถานะทางเศรษฐกิจดีส่วนหนึ่งเนี่ยเราก็ใช้ส่วนตัวช่วยไปเราก็ต้องเสียสละจังมากแต่ที่เราสังเกตว่าโครงการในพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมากหรือเกินที่ทรงใช้พระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เป็นต้นทุนแต่สถาถามท่าราัศดรไม่โดยสเสด็จพระราชกุศลบ้างจะทำไง มันมันเป็นไปไม่ได้หรอกถ้าเราพูดในเชิองอุดมคติว่าไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนอะไรต่างๆเนี่ย mm hmm. มันก็สมบัติสมนุนบุหานเชื่อได้พูดได้แต่เราอย่าลืมว่าผู้บริหารต้องเสียสละเยอะมากแล้วเราพอเรามองเนี่ยคือก็ทำเพลินหนะังสือนี่ทำเพลินมากก็ใช่เวลาไม่นาน แต่ว่ามีวิธีเรียบเรียงที่ต่างออกไปจากเรื่องอื่นคือว่าเอากระดาษใส่เครื่องพิมพ์ดิแล้วก็ตีเลยนะครับพิมพ์เลยพอในสะดุดเราก็เปิดดูหนังสือแต่ไม่สะดุดเราก็ไม่เปิดดูแล้วก็จะใช้ในเชิงวิเคราะห์วิจัยแล้วให้มองผ่านมิติต่างๆพอเราต้องกา ร, รสอนนักศึกษาพญาเอก แต่ในขณะเดียวกัน ก, ก็พยายามพู ด, ด้ง่ายเพราะว่าเมื่อทําแล้วเนี่ยก็ต้องการจะเผยแพร่แก่ประชาชนด้วยที่ก็สนใจแต่แน่นอนมันก็ค่อนข้างจะเป็นงานเป็นการเป็นเชิงวิชาการมากอยู่แต่ว่าเราเห็นได้อย่างหนึ่งว่าดุสสพันยุตยานเนี่ยนะดุสสพันยุตยานเนี่ยมันสามารถจะเอาไปใช้บริหารได้ทั้งหมดอย่างนี้อย่างๆกุศลกรรมบทที่จะเยอะมากเลย ส่งแสดงไว้ในจั ก, กรวรร ด, ดิวัดในอคันเยสูดแก่พระเจ้าปเสนที่โกศลทั้งหมดเนี่ยใช้ชุดเดียวชุดเดียว ช, ชุดเดียวเป็นการบริหารตนบริหารคนบริหารงานงานบริหารนาครรัฐบริหารประเทศโดยใช้ธรรมะสิ่งพ่อแต่เราจะสังเกตว่าการบริหารที่ซื่อสัตย์สุจริตมันจะอยู่ในกรอบของโุศลกบฏนี่ะ นับไปเถอะดูไปเถอะแล้วจะเกาะกลุ่มอยู่ที่กุศลกับบุตทั้งสิ้น่าเราเห็นว่าพระสัพพัญญุตยานเนี่ยยิ่งใหญ่จริงๆคือยิ่งทำยิ่งตื่นเต้นเนี่ยเลยก็คิดว่าจะทำสักสองร้อยหน้ามาก่อนทำไปตามาดีเล่มโตไปเลยก็ยังไงก็พูดแล้วนะฮะถ้าหากว่า ถ้าผูฟ้ฟงสนใจต้องการจะอ่านแต่ก็ต้องเป็นนักศึกษาหน่อยนะก็สามารถขอได้มีคนก็ถามว่าขายเล่นเท่าไหร่บอกว่าไม่มีหนังสือขายมีหนังสือแจกแล้วก็มีความรู้สึกว่าเราเราเราเป็นพระเนี่ยมันไม่ควรจะเขียนหนังสือขาย แต่ถ้าเจ้าก็ขอไปเพื่อพิมพ์จํำนายในราคาเผยแผ่เราก็ไม่หวาอะไรมังกรเขาไปพิมพ์เยอะตอนนี้ก็ธรรมสภาเขาไปพิมพ์เยอะเราก็ไม่หวาอะไรแล้วก็ไม่ต้องขอลิขสิทธิ์เพราะไม่เคยสงวนลิขสิ์เพราะเราไม่ได้คิดว่าเราเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ธรรมมันเป็นถ้าจะพูดถึงลิขสิทธิตมันก็ต้องเป็นของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเป็นธรรมราชาเป็นเจ้าแห่งธรรม เราไม่เจ้าแห่งธรรมอ่ะเราเราเรียนเราจําเราเข้าใจเราก็นํามาเผยแผ่เท่านั้น เ, นเองแต่ทีนี้ตอนที่พระสารีบุตรท่านอธิบายไปไปในเชิงของวิปัสสนาไปในเชิงของวัตธรรมเข้าไปขับเคลื่อนไปสู่ไตรลักษณ์มันโอก็เป็นเรื่องแปลกในะสหรับารน า, นานทบินในการเศรษฐีเนี่ยพระพุทธเจ้าไม่เคยสอนพระพุทธเจ้ารู้ว่าท่านก็ไปได้แค่นี้แหละ ท่านก็เป็นแค่พระโสะราบานนี่แหละเรา ะ, ะนันให้ระษาดิบุตรไปทิ้งท้ายมันเกิดความผัังใจอย่างแรงท่านประทับใจท่านทราบซึ้งที่ภาษาดิบุตรแสดงมาแล้วก็พิจารณาในตัวเวทนาที่เกิดขึ้นมันส ง, งบเวทนาได้และพระพุทธเจ้าและท่านภาษาดิบุตรก็กลับไปเฝ้าพระพุทธเจ้าพระเจ้ารับสั่งถามว่า ทำไปรีบกลับมาเช่ยะแต่ท่านก็บอกว่าเห็นว่าท่านอนาทบินเดกะเศรษฐีส ง, งบดีแล้วพิจารกรับสั่งบอกตอนนี้เขาตายแล้วเขาบังเกิดในดาวบดึงแล้วแต่นี้พอเกิดที่ดาวบดึงเนี่ยด้วยแรงผูกพันต่อภาษารีบุตรก่อนดับจิตแล้วก็โหยหาที่จะพบพระพุทธเจ้าก่อนดับจิตเนี่ย เมื่อพอจุติเป็นเทพประมุขปั๊บท่านก็มาเลยมาอยู่แบบมัถฐกุลยีเทพประมที่เคยเล่าให้ฟังนานแล้วเนี่ยท่านไม่อยู่มาอยู่สวสุสในสวรรค์รีบมองฟ้าพระพุทธเจ้าแล้วก็กราบทูลกราบทูลแสดงความรู้สึกนึกคิดของท่านแล้วก็สุขใจนะในฐานะที่ตัวเองเป็นเจ้าของพระเชต ว, วัน อันนี้อย่างที่เคยเล่าให้ท่านสาธาชนฟังนะว่าพระเจ้าทรงแสดงถึงทานประเภทต่างๆมีในข้อหนึ่งทรงแสดงว่าอนาโด布รโดโคติวัตโตโคติวันนาโดผู้ให้ข้าวน้ำชื่อว่าเป็นการให้ผิวพธุ์ผู้ให้เสื้อผ้าไป่ใช่ผู้ให้ข้าวน้ำเป็นการให้กาลังผ้าเสื้อผ้าเป็นการให้ผิวพธุ์ให้ยานพาหน้เป็นการให้ความสุขให้แสงสว่าง จ ะ, จะเป็นเทียนจะเป็นไฟจะเป็นอะไรก็ตามนะฮก็ชื่อว่าให้ดวงตใใวาใครไปจีพคือดวงตาแต่ถ้าใครให้ที่อยู่อาศัยชื่อว่าให้ทุกอย่างโซจะสัปบาทระโดโหติโยรดาติอุปัสยังบุไดให้ที่อยู่อาศัยผู้นั้นชื่อว่าให้ทุกอย่างันธ า, า, า, า, า, ารนาทะบินิกาเศรษฐีนเนี่ยพอเห็นไม่ใช่ตะวนันท่านก็เกิด เรียอัปปราปรเจตนามันเกิดขึ้นเป็นจากขานุสติคือลึกถึงผลฐานของตัวเองที่บริจาคสร้างเป็นประเชต ว, วันมีผลประโยชน์มหาศาลในความรู้สึกนึกคิดของเจ้าของผู้สร้างวัดนะฮะแล้วก็แสดงความชื่นชมต่อประเชต ว, วันเพราะข้าแต่พระผู้มีพระภาคพระเชต ว, วันเป็นที่อาศัยอยู่แห่งมูลฤษี เป็นที่สดับอ่อเป็นที่เสด็จประทับแผงพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เป็นพระธรรมราชาถ้าไม่เกิดปีติแก่ข้าพรงมันเกิดปีติมันเกิดเอบปิ่มมากเฟที่พระเจ้ทาทรงสแสดงไว้ในมาสารโรสูตรเนี่ยมาสาโรบมาสูตรเนี่ยก็ทรงสแสดงด้วยการสมัยโบราณก็กุดสะ สร้างสะ พ, พานขุดสะสร้างสวนดอกไม้แนวของเรื่องของมาคับมนุษยจึงเป็นทาสกาดเทว ร, ราชรับสั่งว่ามันเกิดบุญแก่เจ้าของผู้สร้างเนี่ยทุกขณะที่มีการใช้ประโยชน์จากตรงนั้นเทวนกมมเกาะอะไรมาเกาะกระามันมันเกิดบุญแก่บุคคลคนนั้นพันตัวนี้จะมีลักษณะอย่า ง, งนีอนาตวินิกาเทพบุตร ก็ปีติประโม ท, ที่มาเห็นพระเจตะวันเป็นที่อยู่ของมาหาฤาษีทั้งหลายก็คือพระอาหารทั้งหลายแล้วก็มีพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นธรรมราชาประทับอยู่ที่วัดของท่านเนี่ยมันโอ้กมันดีใจไม่ใช่เล่นนะเพราะอะไรเพราะว่าพระเจ้ามีพระองค์เดียวแล้วก็ชมพูตวี่กว้างใหญ่ไพศาลโลกกว้างใหญ่ไพศาล แต่ว่าพระอาหารหันตสมาสคมเจ้าเกิดประทับที่ประเชตะวันมืนเจ้าของประเชศตะวันปีติปราโมทมากๆแล้วในขณะเดียวกันเนี่ยท่านก็มองไปในภาพรวมว่าในหมู่พระอาหารหันต์ทั้งหลายเนี่ยมันมีความหลากหลายในเชิงชาติพันธ์วันณะทั้งสี่ทั้งห้ามาหมดเลยกษัตริย์ รามแพทย์สูตรจนทานแล้วก็จนถึงกับไออะไรกี่จนทานกี่จนทานแต่งงานกันอีกเทียวมันมีความหลากหลายเลยกินพระอรหันต์อดีตมาโจรก็มีภิกษุณีอดีตโสเพณีก็มีภิกษุพระอาหารหันต์ระดับอดีตขอทานก็มี อดีตชาวนาก็มีอดีตกรรมกรก็มีอดีตเศรษฐีก็มีอดีตพราชาก็มีเมื่ออยู่ในวัดครั้งนั้นเมื่อก็สอดคลาอกับพระสุบินนิมิตของพระพุทธเจ้าต่อกอนยศสรูที่ว่านกมีสีต่างๆบินมาจากทิศทั้งหลายแล้วก็มาเกาะลงกลายพระบาทของหลงกลายเป็นสีขาวหมดทำให้อะ อนาธิบินติกาเศรษฐีได้มิติทางความคิดอันเนี้คือแนวแนวที่อามารเรียบเรียนหนังสือที่ว่าเนี่ฮะเสริมสร้างสู่สุขสันต์เนี่ยคือเราเล่าพุทธระวัติให้ดูแลให้เขามองจากว่าตรงเนี้ยมันคือตัวอย่างเรื่องอะไรแต่ตรงนี้จะปรับเป็นองค์กรบริหารปรับเป็นหลักสูตรในการพัฒนาคนหรือปรับเป็นบริษัททางร้านอะไรแต่อะไรนี่คิดได้ไหม แต่เราต้องคิดเอาเพราะอะไรเพราะว่าพระพิจานั้นเป็นองค์กรทางศาสนาองค์กรทางศาสนาที่ยิ่งใหญ่นะฮะเพราะว่าประชากรทั่วโลกนับครุฑนับถือประสบความสําเร็จอย่างสูงโดยหลักการเดิมวิธีการก็เดิมแต่ว่าสืบต่อกันมาได้ถึง 2,500 กว่าปีเพะถ้าเรามองในแนวศึกษา ศึกษาวิธีคิดวิธีมองปัญหาต่างๆของพระโพธิสัตว์สมัยเป็นพระอาจกุมารสมัยเป็นพราหมณ์สมัยเป็นนั้นเป็นี้เราก็ยกตัวอย่างให้ดูแต่บาอย่างเราวิเคราะห์ให้ดูบางอย่างไม่วิเคราะห์คือต้องการให้้หเกิดจินตนาการคิดผ่านมิติ ต, ตรงนี้ออกไปสิ่งที่ปรากฏไปหาสิ่งที่ไม่ปรากฏไปหาสิ่งที่คล้ายคลึงจะสิ่งที่ปรากฏ ไปหาสิ่งที่ตรงกันข้ามกับสิ่งที่ปรากฏไปหาสิ่งที่แผกเพี้ยนกับสิ่งที่ปรากฏไปหาสิ่งที่เหมือนกันกับสิ่งที่ปรากฏแล้วขยายไอไอแนวความคิดขยายเนี่ยคือเมื่อมานั่งมองภาพของแบบอาคารศูนย์ส่งเสริมพพุทธศาสนาที่คิดฝันนะฮะว่าจะสร้างที่มังนน คนเอกเสรีไปคงออกแบบให้แล้วต่อมาท่านให้เจ้าหน้าที่ทําเป็นโมเดลไปดูเราก็นั่งนึงนกๆไปเทียกับแผนที่ไปเทียบกับตรงนน้นตรงนี้ว่าโอ้มันก็ขยายได้ขยายโมเดลย่อส่วนขยายส่วนปรับสภาพ เ, เคลื่อนย้ายตรงนั้นตรงนี้โอ้มันก็เล่นได้เยอะมันก็เหมือนกับอะไรเหมือนก็บไอ้ท่าทางกำลับบงภายในอะไรต่ อ, อะไรต่างๆเนี่ยมันมันจากท่ามันแตกออกไปเป็นเยอะมากเลยมวยเมื์ก็จะมีลักษณะอย่างนั้นหมดเพราะแต่เราคิด เราคิดจากจากอะไรก็ตามมันจะได้ความคิดอีกเยอะนี่คือแนวของเทพปบุตรอนาตบินนากาักเศรษฐีท่านมองท่านมองว่าในแง่ความจริงเนี่ยตัณหามาณทิฐิที่มนุษย์มีเนี่ภาพลวงตาทางนั้นเลยไม่ใช่ของจริงสักอย่างเดียวอะไรที่เรารู้สึกของเราอะไรของเราตัวของเราจะไม่เป็นของเราเลยเพรเราจะมีได้อย่างไงในเมื่อตัวเรายังไม่ใช่ของเรา เราเป็นอย่างนั้นเราเป็นอย่างนี้เราเป็นอย่างน้นแต่เราเป็นอะไรก็เสร็จแล้วเราก็ตายเราก็ตายเราก็เป็นแค่ศพที่อยู่ในโลงแล้วศพนั้นเองก็ไม่ใช่ของเราเขาเอาไปเผาไฟทีนี้ไอ้ความเป็นตัวตนเนี่ยท่านเห็นชัดว่าท่านก็ไม่ได้เป็นตัวตนตอนนี้ทําไม่ได้เป็นนาถบินตะเกษตรทีละแล้วก็พระเหล่านั้นเองก็ไม่เป็นอย่างที่ท่านเคยเป็นแต่เวนี้เป็นพระอรหันต์ เป็นพระหันไม่ได้เกี่ยวกับว่าชาติพันธุ์ของท่านเป็นยังไงท่านคือพระอาราหันต์ท่านคืออาหุนโยปะหุนโยด ก, กินโยอัญชริกานโยโอโ้มันก็ตื่นเต้นตั้งคิดแล้วต้องมาตื่นเต้นท่านก็กล่าวบอกว่าบุคคลตั้งหลายย่อมบริสุทธิ์ด้วยการกระทําด้วยวิชาด้วยธรรมะ แล้วก็ด้วยศีลด้วยชีวิตอนุดมไม่ใช่บริสุทธ์ด้วยโครด้วยสกุลหรือว่าด้วยทรัพย์เห็นไหมเข้าถึงเข้าถึงปารมัตสัจจาอันนี้ก็คือก็คือประกาย ค, ความคิดที่ท่านได้มาจากภาษาดิบุตรแต่เื่ออยู่ภายในจิตั้งทันเพราะตอนที่จริงตอนที่เป็นมุสโสดานเนี่ยารศักยติสิได้แล้วนะฮะลาศักยติสิได้แล้ววิจีกริชาได้แล้วศีละปะตระม า, ดาได้แล้ว พอการพอพระสารีบุตรไปแสดงตใจรักเข้าหมุนกลับเข้ามาหาส ม, มุติสัจจะเพราะใจรักแต่เข้าถึงมัเป็นบารวัตสัตจจะนะฮะในแง่ส ม, มุติสัจจะก็เถอะคนไม่ได้บริสุทธิ์เพราะชาติโคตรสกุลคนไม่ได้สุดบริสุทธิ์เพราะทรัพย์แต่ว่าคนจะบริสุทธิ์เพราะกรรมคือการกระทํา คือวิชาคือธรรมะคือศีลและคือชีวิตโดดๆตัวนี้คืออะไรตัวนี้เราจะเห็นว่าธรรมะอีกห่าประการเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่แต่ว่าที่จริงแล้วเนี่ยเราจะคุ้นมากเลยหนะมายความมาห้าประการนะห้าประการคําว่าข้อแรกคือกรรม คำในที่นี้อย่างที่เคยบอกท่านผู้ฟังให้ตั้งข้อสังเกตไว้ว่าธรรมะถ้าข้อความเขามากเนี่ยเนื้อหาแต่ละองค์ธรรมจะแคบแต่ถ้าข้อความมันน้อยเนื้อหาองค์ธรรมจะว่างมากเย่ย เ, เช่นสัพปาปะภาษากรนางในครอบจักรวาลเลยนี่เดียสองคำสัพปาปะภาษาการานางกุศลสุภสษปรรดานี่ครอบคลุมกุศลธรรมทั้งปวงไว้หมดล จนสัจจิตะประโยชน์ดับนังจนจิตผ่องแผ้วซึ่งก็หมายความว่าบาศบาปเนี่ยไม่ได้ทําหมดละบุญสมบูรณ์แล้วรุว้ยวัดกันที่จิตมันผ่องแผ้วเพราะในแง่ตัวนี้กรรมเนี่ยตามปกติมันก็หมดเลยนะฮะกรรมเนี่ยคือคือถ้าก็มาคําเดียวเนี่ยหมายความว่ากายกรรมวิจิกรรมปโรกรรมก็หมดละแต่ในที่นี้ไม่ใช่เพราะว่าท่านกล่าวทั้งห้าคอ ห้าข้อเนี่เป็นกุศลธรรมส่วนเหตุทั้งหมดทีนี้กุศลธรรมส่วนเหตุทั้งหมดเนี่ยมันสรุปแล้วก็อยู่ในอริยมรรคอย่าทีา่บอกว่าขยอยส่วนขยายส่วนยังไงก็ได้เราพูดถึงโพธิปิปัิปะกียธรรมสาม็ดก็ได้มันก็ไม่มีอะไรก็คืออริยมรรคในส่วนจิตสิกขากับปัญญาสิกขาเพียงแต่ว่าแสดงกันคนละวาะ ดูที่ภาวะดูพื้นฐานจริตตยาสัยของคนถงยกัยกย้ายเปลีย่ยนแปลงธรรมเทศนาไปแต่ว่ากรอบก็คงอยู่ในอริยมรรคในองค์แปดประการนั่นเองผลกรรมกรรมในที่นี้ก็คือมรรคเจตนาคำวมามรรคเจตนาคือเจตนาที่เกิดขึ้นในมรรคเช่นเออเสินก้นหนึ่งสองสามนะฮะคือสมมาวจารไปแจ่สมา ก, กัมมันตเนี่ยก็คือศินหนึ่งสองสาม ในกรณีศีลข้อที่หนึ่งเนี่ยคือการงดเว้นในการฆ่าสัตว์เด็กเขาเรียกวัตรกรเจตนาคือเจตนาในการฆ่าสัตว์เพราะงั้นมันปราศจากวัตกะเจตนาแต่ประกอบด้วยเมตตาประกอบด้วยจิตที่ไม่คิดประทุษร้ายหรือว่าอธินาทานเนี่ยมันจะเกิดเจตนาขึ้นมาเรียกว่าเถรยะเจตนา เจตนาเชิดลักอันนี้อัจฉยะเจตนาคือเจตนาที่จะไม่ลักหรือว่าการการเสพกรามก็เป็นเป็นเป็นเจตนาที่จะที่จะมีเพศสัมพันธ์แล้วก็ดับเจตนาเหล่านั้นเพราะนั้นก็เจตนาที่เป็นกุศลพระเจตนาที่เป็นกุศลเมื่อเกิดขึ้นเมื่อก็เกิดการการลดเว้นเราอาจจะพูดรวมๆง่ายๆนะฮะว่าสํารวม เป็นการสำรวมในเรื่องการหรือว่าสำรวมในด้านศีลก็ทำให้เกิดการงดเว้นเต็อย่างที่บอกไปแล้วเนี่ยว่าในคำว่าศีลเองเวลาทรงแสดงเต็บที่ก็ขับเคลื่อนก็ไปหาธรรมะ เพรานถ้าเราพูดระดับระดับระดับธรรมดาทั่วไปนะฮะระดั บ, บเบญจสีตเบญจธรรมนะ่ะเราจะเจ็นว่าศิ่ข้อที่หนึ่งมันก็ขับเคลื่อนจิตเข้าไปอยู่ด้วยเมตตาแล้วข้อที่สองก็นำํำพาจิตเข้าสู่สมาชีพถึงข้อที่สามก็นําจิตเข้าสู่อย่างน้อยที่สุดเนี่ยเขาเรียกว่าสถารสันโดษคือยินดีในพัญญาของตัวเองหรือปฏิวัติพักดีเฉพาะสามี ตัวเองหรือกามาสังวร น, นะสังรวมระวังในกามก็ไปได้เยอะแล้วนะฮะแล้วตัวเนี้ยในบางการณีถ้าเราต้องการให้น้อยนะต้องการให้น้อยกว่านั้นข้อสําคัญเรามีศรัทธาคําเดียวศีลทั้งสามข้อนี่จะไปได้โดยอันตโนมัติแม้แต่ศีลพระก็ เ, เรียกว่าในพระปฏิโมกขสองร้อยเอ็ดข้อแล้วนอกพระปฏิโมกขอีกประมาณรวมรวมไปเสร็จประมาณสัก ถ้า 2,800 ข้อถ้าเราเชื่อใ น, ร พ, นพระพุทธเจ้าคาเดียวพระพุทธเจ้าบัญญัติไว้ไม่ให้ทำเราไม่ทาพระพุทธเจ้าอนุญาตไว้ให้ทําเราทํเท่านั้นเนี่ยเราเชื่อเราไม่ต้องการเหตุผลอะไรหรอกสีเลนและสุกติยันติตายไปแล้วบังเกิดสุกติหรือไม่ไม่สนใจพระพุทธเจ้าว่ามีก็มีอย่างน้อยเราก็สบายแล้วนะะ ตัวนี้เราเสียเวลาอยู่เยอะเลย เ, เสียเวลาในเรื่องเหล่านี้เยอะถ้าฟังเอาสังเกตวันจันทร์วันจันทร์ปัญหาเนี่ยมันก็เป็นปัญหาค่อนข้างจะซ้าในเชิงเนื้อหาแล้วถามว่าทำไมเป็นอย่างนั้นคือเป็นอย่างนี้แหละปัญหาชาวบ้านคือเป็นอย่างนี้ตลอดอาตมาตอบปัญหามาเรียกว่าไม่ไม่ใช่ว่า ถ้ากี่พันมาทามว่ากี่หมื่นนะตอบมาเยอะมากๆในปัญหาเนี่ยตอบอวิทยุอสอมาประมาณสักเท่าไหร่อ่ะประมาณสักสามสิปีแล้วนะฮะเฉะพาะวิทยุอสอแห่งเดียวนะฮะแล้วก็ตอบในสถานที่ต่างๆตอบทำเป็นหนังสือแปดเล่มปัญหาสามต่างนั้นฮนะปะัญหาสามต่างนั้น แล้วอย่างหนึ่งถ้าเขาถามมาในเชิงปรัชญาธรรมเนี่ยมันมันไม่เหมาะที่จะตอบออกพิทยุพวกนี้มันต้องตอบที่หน้ากระดาษในวันกนน่มีคนถามเรื่องปฏิจจสมบาทโอ้โหปฏิจจสมบาทไปตอบออกอากาศปากเปล่าอย่างนั้นก็จบกันเลยวัจญาสมาต้องเขียนที่กระดาษ น, นะฮะแล้วคนต้องเข้าใจองค์ธรรมแต่ละข้อแต่ละข้อแต่ละข้ออามาสสอนนักศึกษาปีสาม ใช้เวลาตั้งท่าอะไรอะ่ะแบบประมาณสักแปดชั่วโมงอ่ะนะแปดชั่วโมงแปดชั่วโมงก็พอออกข้อสอบยิงตอบมันค่ได้แอามาเองใช้เวลาหลายปีนะฮะทําความเข้าใจกับปฏิจจสมบัตินี่นใช้เวลาหลายปีตกเฉียงอภิปรายคนา้นคว้าลองทดสอบลองวิเคราะห์ อ, อะไรแอะไรโอ้กว่าจะอธิบายได้นะไม่ใช่ไม่ใช่รู้ปฏิจจสมบัติกว่าจะอธิบายได้เนะี่ย ใช้เวลาหลายปีนั่งอภิปรา ย, อ า, ารยอาจารย์สุชีพอาจารย์เสถียรโพธินันทะอาจารย์เมฆอัมไพจริตอาจารย์สุกเจริญรัตมันก็หลายปีแล้วก็เจ้าคุณสมเด็จอะไรเนี่ยหรือว่าเจ้าคุณยานโรดมสนกิจการโรเป็นโดนโกนั่งอภิปรายเรื่องนี้กันนานมากคือรต้องการอธิบายให้ได้ คุณสัญญาธรรมศาสตร์เคยเล่าให้ฟังว่าท่านอ่านปฏิจจสมบัติจากรุ่มจดแก่เกษียณอายุราชการจากประธานสารดิกาแล้วยังไม่เข้าใจอะคนที่อธิบายปฏิจจสมบัติให้ท่านเข้าใจเนี่ยคืออาจารย์วสิณีตาศระท่านเล่าฟังอันมาเคยอรบรมประธานท่านเหมือนกันแต่ว่าตอนนั้นท่านเข้าใจแล้วนะฮะเราก็ง่ายหน่อย เพราะฉนั้นธรรมะเหล่านี้จริงๆเนี่ยคือถ้าเรานับข้อเมันจะเยอะตรงนี้ถ้าระดับหนึ่งเนี่ยคือใช้ศรัทธาตัวเดียวหรือไม่อย่างนั้นก็เมตตาข้อเดียวก็ไปได้ละอ้เ น, นี้ยก็คือคือ ค, อคว่ามรรคเจตนาเป็นเจตนาที่ประกอบด้วยอริมักสามข้อแรกไม่ใช่ไม่ใช่สามข้อแรกคือสามข้อในส่วนของสี่และสิกขามันก็คือข้อที่สามสี่ห้านะฮะ เพราะว่าแนวอริยมรรคเนี่ยพระเจ้าเรียงในแนวศีลไม่ใช่แนวปัญญาศีลสมาธิแต่ว่าถ้าเรียงแบบไตรทิขาดนี่ยเขาเรียกว่าศีลสมาธิปัญญาแต่ที่หลวงพ่อพุทธทาสออกมาพูดเนี่ยอาจารย์ยังงงอยู่ว่าท่านท่านท่านเอาเกณฑ์ตรงไหนมาเพราะว่าเราสังเกตหนังสือของท่านหลายเลื่องครัท่านใช้คําว่าสว่างสงบสะอาด แตวเนี้ยคือคือคือคือเรายัางนึกไม่ออกว่าท่านจะโครงสร้างอะไรแต่สรุปแล้วคือศีลสมาธิปัญญาผู้เราเนี้ยบางทีคำมันมันสั้นนะแต่ว่าถือว่าเป็นอมตะพจน์ที่ยิ่งใหญ่มากมาชอบโครงนิราชนา์ซึ่งในโครงนิราช น, นา์มากบังอบายเบิกฟ้าฝึกฟื้นใจเมืองบรรทัดเดียวขอให้ได้กันเลย มันเป็นยุทธศาสตร์อยุทธวิธีขับเคลื่อนยังไบงบังบายคือปิดประตูทางเสื่อมเบิกว้าคือเปิดประตูทางเจริญด้วยวิธีฝึดพืดพ้นจิตใจคนเป็นประโยคสั้นๆของคำโครงนิดเดียแต่แม้มันยิ่งใหญ่มากมันก็เหมือนกับหนังสือที่เล่าเนี่ยมาใช้โครงสร้างพระปฐมบรมราชองการเป็นแนวนาความคิดกับ พระพุทธธรรมราเที่พระเจ้าส่งราสาวกไปประกาศาศาสนาองค์นี้ก็ชอบมากเหมือนกันชอบมากกว่ายิ่งใหญ่มากเลยเป็นคาสั้นมากแต่มื่มันครอบจักรวาลเลยสดแดงให้เห็นถึงหลักการวิธีการปฏิบัติการประสิทธิการแล้วก็นำขับไปสู่อุดมการณ์ผู้ทำก็มีอุดมการณ์เพื่อประโยชน์เพื่อกูลเพื่อความสุข แ่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นม น, นุษฐานมนุปณิธานที่ยิ่งใหญ่มากเพรา ะ, ะนั้นตรงนี้มันมันมีความตําคกาว่ามีจุดเริ่มต้นได้อย่างบอกเอาไม่ต้องมาพูดรืงเมตตาก็เดียไไเยเด๋ยวไปได้เลยไปได้ริบเลยตรงนี้เป็นบ็นทุกกรรมแต่ว่าอย่าไปติดใจนะกรรมในพระสูตรนี้ในพระคาถานี้หมายเท่านี้ แต่อย่าลืมมันทั้งหมดคือกรรมทั้งหมดนี่คือกรรมทั้งหมด เ, ร, ร, มมดเรื่นี้กำลังกำลังคุยกับคนรุ่นใหม่เนี่ยคือใช้กดแก่กรรมใช้กดฎโดยเราจะเห็นว่าวิชาสายสายสายสายนะฮะสายวิทยาศาสตร์ทั้งหลายเนี่ยมันเป็นกดเพราะชีวิตเราเนี่ยเกิดแก่เจ็บตายเนี่ยเป็นกดแต่ไอ้ตัวเกิดมันมาจากกรรมแต่พอเกิดเรแล้ ว, ลวมันหลายก็สู่กด เกิดแล้วต้องแก่นะต้องเก็บนะต้องตายนะต้องพัดพรากนะเดีนี้ในขนะเนี้ยจริงจริงมันมันมีกรรมอยู่ด้วยอย่างอย่างสมมติการพลัดพรากเนี้ยมันก็มีกรรมเหตการกระทำของเราอยู่ด้วยแก่ก็เหมือนกันเจ็บก็เหมือนกันก็ผสมกับกรรมเพราะมันจะมีกฎแล้วกฎผสมกับกรรมแล้วก็กรรมเพราะเหตการณ์ทั้งหลายเนี้ยมันก็คือกรรม การกระทําของมนุษย์ผลที่เกิดขึ้นจากการกระทําของมนุษย์ออกมาเป็นสุขเป็นทุกข์เนี่ยที่จริงมันคือคกรรมกรรมในส่วนเหตุกรรมในส่วนผลคําในส่วนลักษณะอาการกันเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าพุทานาก็เป็นกรรมวิตวทีกบิรยาาิยวัชีก็รู้สึกว่าพอพูดบทบรรก่อนอธิบายให้ข้าราชการในกลุ่มวิทยาศาสตร์บริการ เราใช้กฎเนี่ยเป็นหลักเห็นว่าเขาเป็นนักวิทยาศาสตร์เขาเข้าใจนะอธิบดีอธิ บ, ด, ธบดีเขาเขายกตัว อ, อย่างที่เราพูดเนี่ยเขายกตัวอย่างเลยไอ้นั้นก็คืออย่า ง, งานั้นนั่นนั่นคืออย่า ง, งานั้นวิทยาศาสตร์เขาเรียกอย่า ง, งานั้นอย่า ง, งานั้นอย่า ง, งานั้นวิชาการเหล่านี้ที่ฝันทีเ่เคยเล่าโยงฟังว่าถ้าสูตรมันเกิดที่เราอยากได้วิชาการอะไรอยากเอานักวิชาการแต่ละฝวายแต่ฝ่ายมานั่งแลกเปลี่ยนความคิดความเห็นกัน เอารัฐศาสตร์มันอธิบายกรอบขอบข่ายมีการซักซ้ายซักสักถามอะไรต่เอาสาระถะออกมาแล้วก็ลงเข้าไปสู่สาระถะในพูทธานาว่าพูทธาวนว่าไว้อยังไงในเรื่องนนเนี้ยวันก่อนได้เห็นคนคนุณอะไรคุณสุมเมศนะคุณสุมเมศกับคุณอะไรอธิการบรดีธรรมศาสตร์ก็าพิปรายคุณสุมเมศก็คิดตรงไง เขาเก็เป็นนักเรียนนอกนะฮะแต่ว่าคิดตรงกันว่ามานคิดมานานแล้วว่าเมืองไทยเราเนี่หลงทางทางการศาึกษาจัดการในการศึกษาแล้วปรากฏว่าคนยิ่งมีการศึกษามากยิ่งช่อโกองมากยิ่งสลับซับซ้อนยิ่งมีปัญหาสารพัดยิ่งพูดจากันไม่รู้เรื่องแล้วก็ต่างคนดังอวดดือ้อถือดีปัญหาไม่น่าจะเป็นปัญหาก็สร้างปัญหาจุดบานปลายได้ เป็นเรื่องแปลกว่าที่เราต้องทบทวนเนี่ยมันมีนานมาแล้วเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในบ้านในบ้านเมืองเรารู้สึกว่าตอนตอนหกตุลานะฮะคือเดินไปเห็นเด็กอายุสักห้าหากขวบอะแกเอาไม้เนี่ยไปตีป้ายตามรถเม ย, ย์อะไปตีป้ายป้ายต่างๆที่ ท, ที่ที่เป็นของกทมเนี่ยตอนนั้นก็สมเด็จ อาจารยาจังเอาจารย์กระก็เลยไปคุยกั บ, บอกว่าเอเป็นเรื่องต้องคิดนะเนี่ยคือวงการศึกษาวางการศาสนาะต้องคิดสอนลูกหลานยังไงไม่รู้จักรักษาสมบัติศาสนาไม่รู้จักสิทธิไม่รู้จกัจกหน้าที่เรียนกันจนเป็นด็อกเตอร์แล้วยังไม่รู้ไอ้หน้าที่กับสิทธิที่มันต่างกันยังไงอะไรมันมีความสําคัญกว่าสิทธิมันกรอบเปนขนาดไหนหน้าที่เนี่ยมันต้องรับผิดชอบอยังไงอะไรต่ออะไรเนี่ยอันนี้มันเกิดขึ้นเลย เกิดขึ้นมาจริงๆก็เกิดขึ้นมาจากพวกมรรคเจตนาเลยแหละเกิดขึ้นเป็น ก, กรรมหมายความว่าการคิดเนี่ยเจตนาหั่นปิเกเวกับมังบดามีเนี่ยดูก่อนวิสู่ทตงหลายๆเรากล่าวเจตนาคือความจงใจจงใจก็เป็นกรรมเพราะนั้นกรรมมันก็ออกมาทางกายทางวาจาทางใจแต่ว่าในที่นี้ท่านบีบนะท่านบีบเอาไว้เฉพาะที่ที่กาย ก็คือการงดเว้นจากปานาธิบาตงดเว้นจากการโยนสิ่งของที่เจ้าของเข้าไปให้และงดเว้นจากการประพฤติผิดในทางประเภณ น, นี้ทั้งฟังทั้งหลายเสียงธรรมจากมาวิทยาเทศรีปทุมในวันนี้ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไปบูรในธรรมจงมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี